อิมัสรรมะปริยา ย, สาายะสะัสัธโทสาทยะสมันเตหิสกัจจังธรมโมโสตบโบตีกขอจเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกคน คากันมีศรัทธาความเชื่อภาษาธาร์มเรื่มใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นสาณะว่าเป็นที่พึ่งกันศรัทธาความเชื่ออันนี้ถ้ามันมีศรัทธาเป็นกำลัง วิริยะควอมเปลี่ยนให้มีกำลังสติก็ให้มีกำลั ง, ป, ลงปัญญาให้มีกำลังแล้วไม่แควขาดจากทางเดิอนอันนำไปสู่สุคติมันมีกำลังอยู่ที่กายของเราอยู่ที่วาจาและที่ใจของเรา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 ให้นั่งตามสบายนะไม่ต้องไปนั่งหวังจะว่านั่งสมาธิเหมือนกับตอไม้อย่าไปทานะองค์นี้ไม่ได้ห้ามบอกไว้ก่อนปวดเช่องปวดขาจะกระดูกกระดิกได้หรือจะยืนขึ้นฟังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามนะอย่าไปทนทุกข์ทรมานตัวเองสิการฟังนะฟังแล้วเอาหูเราฟังฟังเสียงออกจากปาก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 สมมุติว่าชื่อ น, อ น, อนอายกรนายขนางงพระสงฆ์ก็เหมือนกันหัวโล้นห่มผ้าเหลืองนี่ต่างชาติต่างตระกูลต่างวันนะมารวมกันทําว่าสงพระสงฆ์นี่พระตั้งแต่สีู่ปรวมกันก็เรียกว่าสงแล้เวเราดูพระสงฆ์ภายในห้องเราสิ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 เรามีสารณะอยู่ในตัวแล้วไปสแสวงหาสารณะที่ไหนแล้วบางคนก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยโอ้ยฉันไม่ได้เป็นผู้ชายท่านเป็นผู้ชายฉันจะโกนหัวล้วนห่มผ้าเหลืองไปตลอดตายนี่ฉันเป็นผู้หญิงอย่าพูดผู้หญิงก็บรรลุได้เป็นพระอริยได้เป็นพระอรหันได้เหมือนกัน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 อยู่ที่ตัวตนสกลลกายของเราเข้าใจไหมพระองค์มาเห็นแล้วจึงได้บอกกับญาติโยมบอกกับพิสูจน์ทั้งหลายมาประกาศพระสธรรมเหล่านี้พระธรรมเหล่านี้เอาออกมาจากตัวตนสกลกายเป็นกองสมมุติเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นกองสมุติของพระบิดาและพระมารดาทั้งนั้นเอาออกอย่างนี้มา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 พลาหูก็เหมือนกันบอกน้ำทิพเกิดขึ้นเป็นคนชี้เลเขาไม่เข้าพวกแต่ก็ที่เป็นทิพกแต่แต่มีมีสีษาเป็น ย, กยักษ์นี่มีแต่สีสาเนยอยู่ติดติ่อยู่ตามที่เขาบงสวนกันว่าพลาหูใช่ไหมเป็นรูปยักษ์อะมีแต่สีสาเนะ่ยเพราะว่าถูกกงจักรของพนาลายตัด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 แต่ว่าพวกเทพพระเจ้านี่เป็นเหตุเกิดของนะโมนะโมสาตาชิริยัคโขยักมากาวคำว่านะและโมเท่านั้นนะโมสาตาชิริยัคโขสาตาคิริยเป็นผู้มากาวนะโมนะโมมันมีความหมายอยู่ว่ามากาบเรียนพระเจ้าไม่ไม่อธิบายมากเพราะองค์พระสัพพันธูสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แก้งหมดแล้ว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 มันมีพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วเราของเราเน่นะจะทาเอาอะไรพ่อและแม่ให้มาหมดทุกอย่างแล้วอยากได้สมบัติเหรือเอาสิสมบัติ ม, มีมีอยู่ในตัวเรานี่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเอาให้ถึงสิอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะเอาไหม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 ธรรมชาติก็คือตัวธรรมชาติธรรมชาติคือตัวนิพพานอยู่ที่นี่จะไปหาที่ไหนล่ะค ท, ที่ตัวเรานี่ตัวพูดแทรกว่าถือเราตัวเราตัวไม่ตายตัวรู้รู้แล้วว่าทำและสงมันแปลสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานะมันมาจากก้อนธาตุก้อนธรรมมันจะเป็น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 มาเชื่อเด็กฉันพอสี่ยังไงนี่ยมาเชื่อเด็กชาวไร่ชาวนาเป็นปาดเป็นบัณฑิตเป็นถึงปริญญาเวยรู้แล้วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะ่ะอยู่ที่เราจะรู้ว่าตัวเราเป็นพระได้ยังไงเพราะตัวเราเป็นกองสมมตุติเส้นผมอะ่ะเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าสาใช่ไหมเรียกว่าพระไหม สมมติว่าเป็นพระไหมธาตุขันธ์มีแต่กองสมมุติหน้าผากก็พันนาราดวะ่านนั่งก็เป็นพระอีกแล้วห่วยหน้าผากหัวร า, าดเนี่กมเป็นเป็ น, ปนพระได้พอคอชี้ก็พระขนงตาก็พะเนต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 แยกรพรทธรรมออกมาสอนเวเนยศาสตรสัตว์ที่เราสอนก็คือมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้พวกเทพมาละฟังอำนาจแห่งฌานของเขาที่มีอยู่เขาก็สามารถมีอำนาจฌานขึ้นมาได้อีกเหมือนกับรถที่หมดจะหมดน้ํามันสามารถเติมน้ํามันได้แต่บําเพ็ญต่อไม่ได้ พวกเทพนับตั้งแต่เทพสามเทพพเจ้าจนไปถึงสวรรค์หกชั้นจนไปถึงพรมสิบหกชั้นเมื่อหมดอำนาจฌานแล้วก็ยังปาถนามาเกิดเป็นมนุษย์เชียร ด, ดูสิเบื้องต่ําจนถึงมหาเวกีนรกนันะ่นน่ะยังพากันปาถนามาเกิดเป็นมนุษย์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 เมื่อพระองค์ถึนแล้วเห็นแล้วเข้าไปนิพพานแล้วออกมาทำไมจะกลับมาทำไมอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกผมน ะ, ส, ะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานเพื่อใหญ่หรือน้อยก็ช่างล้วนแต่เป็นลูกของผมเป็นบริวารของผมทันถึงนิพพานแล้วเข้านิพพานไปไล่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหน่อ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 ของภาษาพันยูจะ ต, ต้องขนมนุษย์และสพพรรพสัตว์ผู้ที่สดับรับฟังพระธรรมปฏิบัติพระสธรรมเนี่ยให้เข้าพะนิุ์ผ่านได้กองสมมติก็คือตัวตนสกลละกายเราก็แยกพระธรรมมันนี้ออกมาเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธรรมเป็นธรรมแบบไหนจริงสามารถบรรลุได้ก็มาจากณโมรอบที่สอง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 จริงเลยรอดก้นแม่มาพวกเรานี่ยนะพ่อแม่มีพระคุณถึงขนาดนั้นแล้วพุทธเจ้าที่ถูกมารปกปบว่าอย่างนั้นนึกถึงดินเอากูก็บญญรญยัตทำออกมาจากพ่อและแม่ของกูเป็นทาสของพ่อของแม่กูถ้าจะแปลนโมรอบที่สองหละเป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะนะโมอันว่าห่วงอมะตะธรรมห่วงคือห่วงหาไทยห่วงเมตากาลูนาเมตตาสรรพสัตว ที่เกิดมาในโลกอันนี้ทำแปลว่าธละธาตุสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งฟอร์มเป็นจริงมันจะแกงอย่างนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติมันมีห้องมันอย่างนี้นณโมจึงแปลว่าณโมอันว่าห่วงอะมาตะธรรมตัดสะของพระพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้ามาเห็นก้อนก้อนก้อนธรรมก้อนเมตตาของพ่อและแม่คือณโม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 สมณพามและมนุษย์เป็นผู้สรดับรับฟังมนุษย์ปฏิบัติแล้วโดยชอบสัมพุทโทผู้ปฏิบัติเองย่อมเห็นเองรู้เองตัดสลรูเองของใครของมันเพราะเป็นปัจจัดต่างเข้าใจไหมนี่เป็นนโมรอบที่สองของใครของมันนะแทนกันก็ไม่ได้ซื้อขายกันก็ไม่ได้จะเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ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 ทางเดินของพระอริยะเจ้ามนุษย์เท่านั้นที่เป็นอริยะผู้ปฏิบัติถูกต้องทางมีเส้นเดียวนะอริยามรรคแต่ประกอบไ ป, ปด้วยองแปดเหมือนเมื่อเช้าว่าเคยพูดอยู่บุญนะ่ะมีอยู่สามนะยนลงมาแล้วจากสิบทาน น, น, น, านามัยศีลนหม่และภาวนาใหม่